ลักษณะหนทางแห่งความหมดจดทางมีองค์8เป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราค้าธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะ ทางอื่นไม่ได้มีเธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจากกระทาที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกสอนความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทา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 สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจด ขยายความแห่งอริยมรกมีองค์8เรื่องของอริยมรกมีองค์8นั้นเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นหนทางหนทางเดียวที่จะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งพระองค์ได้บอกกับสุปัททะปริพาชกว่าถ้ามรกมีองค์8ดไม่มีก็คือพระรหานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มี แต่ถ้าตรับใจอะเรมักมีองแยังมีอยู่ในโลกเส้นทางมีผู้เดินมีพระหลานต้องมีความทุกข์ต้องมีซึ่งคนทั้งหลายนั้นบางครั้งเข้าใจว่าอรเยมักมีองแปเป็นเรื่องที่ยากทําความเข้าใจยากหรือนำไปปฏิบัติไม่ได้แต่จริงๆตัวมรรคมีองแนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยก็ได้ และเป็นข้อปฏิบัติที่รัดสั้นตรงนะปฏิบัติตรงตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสบอกไว้เลยอย่างเช่นในเรื่องของสมาธิธิโดยสรุปง่ายๆตัวสมา ธ, ธิก็คือการเห็นการเกิดและการดับนั่นเองถ้าเราเห็นสุขเกิดดับเห็นความทุกข์เกิดดับเห็นความจาเกิดดับเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดดับเห็นรูป มีความเสื่อมความแตกสลายเป็นธรรมดานี่เรียกว่าเราเป็นผู้มีสัมมาทิฐิเป็นองค์นำหน้าแล้วก็คือเห็นการเกิดการดับของธรรมชาติทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมส่วนความดั่รดีชอบนั้นก็เพียงแต่เราเนี่ยทิ้งความคิดในทางการพยาบาทและเบียดเบียนเกิดสามความคิดนี้ขึ้นมาคนคนนั้นก็ละทิ้งอยู่ตลอด นี่เรียกว่าเราจเจริญมัก8ข้อที่2แล้วมัก8ในข้อที่3ก็คือการไม่พูดโกหกคำหยาบเพือเจือส่อเสียดอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เข้าใจกันไม่ยากส่วนการงานชอบนั้นก็คือตัวสิน 5.3 ข้อแรกนั่นเองการไม่ฆ่าสัตว์การไม่หลักทรัพย์การไม่ประพฤติปิดในการมการประพฤติปิดในกรรมก็คือการที่ไป แย่งของรักคนอื่นไปประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นผู้ที่เขามีเจ้าของมีบุคคลดูแลคุ้มครองรักษาสูนสมาชีวะนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้สั้นๆว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ประกอบกับด้วยความเบียดเบียนอาชีพที่พระองค์ไม่แนะนำให้ทำก็คือการค้าน้ำเมาค้ายาพิดค้าเครื่องประหานค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์ อันนี้ก็คือ5อาชีพที่พระองค์ไม่แนะนำให้ทำส่วนความเพียรชอบนั้นโดยรวมแล้วก็คือพระองค์ให้ทำความเพียรเพื่อละอกุศลกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ละออกไปกุศลที่ยังไม่เกิดให้ทำให้เกิดขึ้นส่วนกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็พยายามประครับประคองให้มีอยู่ต่อไป ซึ่งตัวทําความเพียรชอบนั้นจะเลยกอย่างก็ได้ว่าสัมมาประธานที่เรียกว่าสัมมาประธานสนีะ่ก็คือตัวสัมมาวายามะความเพียรสีสถานนั่นเองส่วนสัมมาสติการระลึกชอบก็คือการตั้งจิตไว้ในกายเวทนาจิตธรรมสติคือความระลึกได้เมื่อระลึกได้แล้ว เราให้จิตมาตั้งอยู่กับอะไรพระองค์ให้ตั้งจิตอยู่ในกายกายของเราก็มีลมหายใจบ้างการเคลื่อนไหวรีบทบ้างหรือการทำงานในปัจจุบันบ้างส่วนเวทนานั้นพระองค์ก็ให้ตั้งจิตไวในอุเบกขาตั้งจิตไว้ในอุเบกขาพยายามละเวทนาอันเป็นสุขพยายามละเวทนาอันเป็นทุกข์แล้วตั้งจิตอยู่กับอุเบกขา ส่วนการเห็นจิตในจิตพิจารณาจิตในจิตนั่นคือเมื่อระลึกได้แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่กับผู้รู้ผู้รู้เฉยเฉยที่ไม่ใช่ผู้คิดผู้จําหรือผู้สุขผู้ทุกข์แต่เป็นผู้ที่รู้นิ่งๆอันในกรณีของการเห็นจิตในจิตหรือพิจารณาจิตในจิตพระองค์อธิบายโดยหลักของอานาปานสติว่า บุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้เห็นซึ่งลมหายใจนะพระองค์กล่าวว่าเราไม่กล่าวอานาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัชัญญะเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้บุคคลนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสนั่นก็คือเรารู้ว่าขณะนี้จิตเรากำลัง รู้อะไรจิตเรากำลังรู้ลมหายใจนั่นก็คือการที่เห็นจิตในจิตจิตเราไม่ได้ไปรู้ความคิดความนึกไม่ได้ไปรู้สุขรู้ทุกข์แต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกของเรานั่นก็คือลักษณะของการเห็นจิตในจิตส่วนการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนั้นก็คือเห็นอาการของจิตที่ไม่เที่ยงจางคลายและดับไป จากลมหายใจคือเห็นตัวอาการของจิตและทาทั้งหลายเพราะในลักษณะที่ว่าจิตดับจากลมเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือลมก็ดับไปเหมือนกันหรือมองในมุมของจิตก็จะเห็นว่าจิตดับไปลักษณะนี้ใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนก็จะเป็นลักษณะของ การเห็นธรรมในธรรมส่วนเรื่องของความตั้งใจมั่นชอบที่เรียกว่าสัมมาสมาธินะคือความตั้งใจมั่นชอบการที่เราฝึกสติมาตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันหรือตั้งมั่นอยู่กับกายนะนั่นคือเรากำลังสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นสติ คือความละลึกได้อาการที่จิตละลึกได้กลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อจิตมีสติคือละลึกได้แล้วอาการจิตนั้นก็จะดับไปเหลืออยู่แต่อาการสัมปัจชัญญะคือความรู้ตัวที่รู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมและถ้าความรู้ตัวนี้ติดต่อเนื่องยาวนาน นั่นก็คือว่าเรามีสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นที่เราเนี่ยสามารถตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆเมื่อตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆแล้วอาการต่างๆาอารมณ์ต่างๆจะดับไปอารมณ์ในลักษณะ ของความสงบจะเกิดขึ้นเช่นชานที่หนึ่งพระองค์บอกว่าวาจาจะดับหรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์บอกว่าอากุศลดับหรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์บอกว่านิวรห้าดับธรรมะที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างพระองค์บอกจะมีวิตกวิจารปิติและสุขตัววิตกวิจารก็คือความคิดกุศลนั่นเอง ความคิดกุศล น, นั้นมีอะไรบ้างเช่นเราก็จะหยิบร่างกายมาพิจารณาให้เห็นความไม่งามที่เรียกว่าอสุภะพิจารณาความไม่งามของกายหรือหยิบอาหารมาพิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิกูลที่เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาหรือพิจารณาโดยความเป็นธาตุว่าเป็นแต่เพียงธาตุดินน้ำไฟลมเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติ หรือพิจารณาโดยความเป็นอายเตนะว่าอันนี้เกิดจากอายเตนะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทคือพิจารณาให้เห็นว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่คือหลักของวิตกวิจารณ์ และธรรมะที่จะมีขึ้นอีกต่อไปก็คือเรื่องของปิติและสุขถ้าองค์ของธรรมมีวิตกวิจารมีปิติและสุขพระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตว่านี้เป็นปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งและตัวชานที่หนึ่งนี้เป็นสมาธิที่สามารถทำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้ว ไม่จําเป็นที่จะต้องได้ชั้นที่สองสามหรือสี่ก็ได้ตัวชั้นที่สองก็สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้ตัวชั้นที่สามก็เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้และตัวชั้นที่สี่ก็เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้สมาธิในทุกๆขั้นเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้หมดแต่พระองค์ตรัสในสมาสมาธิ เพียงแค่ชั้นที่1 2 3และ4ซึ่งถ้าท่านตรัสในเรื่องของสมาธิที่เต็มรูปแบบก็คือมี9ระดับแต่สัมมาสมาธินั้นพระองค์เอาแค่4ระดับคือชั้นที่1ถึง4เท่านั้นนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์ทั้งหมดที่เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาจิตอันเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพาน และถ้าท่านกล่าวมัคมีองแ์8ย่อเป็นสามท่านก็จะตัดว่าศีลสมาธิและปัญญาถ้าท่านตรัดมัคมีองแ์8ย่อเหลือสองท่านก็จะตัดว่าสมถากับวิปัสสนาสมถาก็คือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาก็คือการเห็นการเกิดและการดับส่วนตัวมัคแดนั้นพระองค์เริ่มจากปัญญาก่อน สข้อแรกสงเคราะห์เข้าในปัญญา3ข้อกลางสงเคราะห์เข้าในตัวศีลคือข้อปฏิบัติกายและวาจา3ข้อท้ายสงเคราะห์ในส่วนของสมาธินี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายก็อริยสั์ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสรฐนี้เององแปดคือความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบภิษุททั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุก์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์อันใดนี้เราเรียกว่า สัมมาทิฏฐิภิกษิุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการละทิ้งความคิดในทางกามการละทิ้งความคิดในทางพยาบาทการละทิ้งความคิดในทางเบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ ภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเทจการเว้นจากการพูดยุใหแตก ก, การเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลาย การงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากัมมันตะภิษุทั้งหลายอาชีวชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในศาสนานี้ละมิชฌาชีพเสียสําเร็จความเป็นอยู่โดยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลและธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้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 ย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศ ล, ละธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะภิกษุทั้งหลาย ความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายพิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสตินำความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า สัมมาสติภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ราะสงัดจากการทั้งหลายราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่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 และได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพูดได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉย อ, อยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายแห่งโส ม, มนัสและโท ม, มนัสในการก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์